พบแล้วหรือท่านพระครูถามพร้อมกับลุกเดินมาดูหลวงพ่อดำยังคงนั่งหลับตาเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นน่ากรีดหน้ากลัวขนาดเลยครับหลวงปู่บุรุษหนึ่งในสี่ตะโกนขึ้นมาหนุ่มน้อยสองคนซึ่งลุกตามท่านพระครูมาติดติดครั้นเห็นซากศพก็ถึงกับเอามือปิดหน้า หลวงปู่ครับมันจะลูกขึ้นมากินโมฮาวกกครับคนพี่ถามยังดีที่เสียงไม่ดังเท่าไรเพราะหากคนทั้งสี่ที่อยู่ในหลุมได้ยินเข้าคงต้องหัวใจวายตายกันเดี๋ยวนั้นด้วยว่าหนีไม่ทันไม่ต้องกลัวพ่อ น, นุ่มท่านบอกหนุ่มน้อยแล้วจึงบอกคนทั้งสี่ที่อยู่ในหลุมว่าเอาขึ้นมาวางข้างบนช่วยกันหามขึ้นมา ไม่ต้องกลัวนะอาตมารับรองความปลอดภัยถึงอาตมาจะไม่เก่งแต่องค์ที่นั่งหลับตาอยู่ท่านเก่งมากสามารถปกป้องพวกเราได้ที่ท่านนั่งหลับตาหนะท่านกําลังช่วยพวกเราภิกษุวัยสีบอกกล่าวด้วยรู้ว่าคนเหล่านั้นคิดอย่างไรกับภิกษุรัตัญยูผู้เป็นอาจารย์ของท่าน ยังอั้นก็ครับหมู่เฮาก็คิดว่าท่านมาเต็มใจที่จะช่วยถึงได้นั่งรับตาจะอั้นก็ต้องขออภัยติคิดว่าท่านมีอะอย่างแปลกๆโค้งบ่บาปนะครับคนร่างสูงกว่าเพื่อนพูดเอาเถอะในเมื่อคิดแล้วก็แล้วไปทีหลังอย่าคิดก็แล้วกันเมื่อก่อนตอนอาตมายังไม่คุ้นกับท่าน ก็เคยคิดแบบเดียวกับพวกโยมนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้วท่านใจดีมากนะแล้วท่านก็เต็มใจช่วยเหลือพวกโยมเอาละช่วยกันหามซากผีขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นได้กำลังใจจากท่านพระครูเช่นนั้นคนทั้งสี่ก็ช่วยกันหามศพขึ้นมาจากหลุมแต่เนื่องจากศพนั้นหนักมาก ผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายอีกสองคนจึงต้องเข้าไปช่วยกว <isexual> ่าจะนำผีขึ้นจากหลุมได้ก็ทุลักทุเลเต็มที่แล้วก็เล่นเอาคนทั้งเจ็ดเหนื่อยหอบไปตามๆกัน <out ly> เมื่อนำศพขึ้นมาวางข้างปากหลุมแล้ว <out ly> บรรพชิตหนึ่งองค์กับขรหัสเจ็ดคนก็นั่งดูสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าหลุมพ่อดำมิได้ลืมตาดูหากท่านพระครูก็รู้ว่า ท่านเห็นเพราะท่านดูด้วยตาปัญญามิใช่ด้วยตาเนื้อร่างที่ถูกนำขึ้นมาวางข้างปากหลุมนั้นดูน่าเกลียดน่ากลัวด้วยว่าเหมือนปีศาจ ท, ที่กําลังนอนหลับเนื้อหนังมังสาอวบอิ่มเพราะได้เลือดสดสดไปหล่อเลี้ยงทว่ามีขนขึ้นรกรุงรังทั่วทั้งตัวผมเผ้ายาวและยุ่งเหยิงอกเปลือยเปล่า ปฐุมฐันต่งตึงและมีขนาดใหญ่หากก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าจะทำให้เกิดอารมณ์พิศวาสอย่างดีที่ท่อนล่างมีผ้าสิ้นเก่าๆปกปิดเอาไว้ไม่เช่นนั้นคงดูอุจจาดในตามากกว่านี้น่าเกลียดขนาดครับหลงปูเป็นจะใดมันยังดูสดๆดบวเ น, น่าบบเปื่อยครับผู้ใหญ่บ้านถามขึ้น เพราะเขาได้กินเลือดสดสดนะสิเขาจะขึ้นจากหลุมเวลาหกโมงเย็นแล้วเดินเข้าไปหากินในหมู่บ้านเขากินเลือดผู้ชายเป็นอาหารแล้วก็จะกลับมาลงหลุมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างช้าไม่เกินหกโมงเช้าเนี่ยยังเขามากินเลือดไม่ยิงครับหลงปู ลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านถามใช้สัพพนามแทนผีว่าเขาเหมือนที่ท่านพระครูใช้เพราะเขาไม่ได้มีกรรมกับผู้หญิงนส่สิพ่อ น, นุ่มผีดิบเหล่านี้เขาตายขณะที่จิตมีโลภและโทสะที่ว่ามีโลภเพราะเขาหึงหวงและห่วงสามีและสามีก็เจ้าชู้นอกใจเขา ทำให้เขาโกรธจึงตายแบบผูกอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทนี้มีกำลังแรงมากจนสามารถฝืนแรงกรรมได้เพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะไปเกิดตามกรรมที่เขาทำเอาไว้ก็เลยยังไม่ไปเกิดแต่มาอาศัยร่างเป็นที่แก้แค้นเห็นไหมว่าเขาจะเลือกทำร้าย แต่พวกผู้ชายเคยเห็นผู้หญิงถูกเข้าดูดกินเลือดหรือเปล่าบอกเคยครับคนที่ตายมีแต่พ่อจายต่ออันผู้ใหญ่บ้านตอบนั่นแหละเพราะเขาอาคาดสามีเลยทำร้ายแต่ผู้ชายเมื่ออาคาดผัวก็น่าจะฆ่าผัวคนเดียวแต่นี่มันฆ่าไขาต่อไขบุ่นวายไปหมด เย่ยจัอีบาดถูกนะครับหลวงปู่ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่พูดแต่ถ้าบอกมีร่างเขาก็เยี่ยอย่างอี้บาได้ใจกว่าครับหลวงปู่ผมว่าโมูเโหพิษเองที่ฟังเขาแตนที่จะเผาลูกชายคนเล็กออกความเห็นซึ่งท่านพระครูก็รับรองว่าถูกต้องพ่อหนุ่มฉลาดหลักแหลมมากหลวงปู่กาลังจะบอกอยู่เหมือนกันว่าความผิด อยู่ที่พวกเรานี่แหละถ้าเราเผาเขาเขาก็จะไม่มีโอกาสมาก่อความเดือดร้อนให้กับเราแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลามีคนตายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงจงอย่าเอาศพไปฝังแต่ให้เผาแทนถ้าขืนฝังวันดีคืนดีเขาจะลุกขึ้นมาอาละวาดเกิดลุกขึ้นมาทุกศพ รับรองว่าพวกผู้ชายถูกกินหมดหมู่บ้านแน่อุ๊ยกลัวแล้วกลัวแล้วพี่ชายของหนุ่มน้อยร้องขึ้นทุกคนรวมทั้งท่านพระครูจ้องมองมาที่เขาพ่อ น, นุ่มเป็นอะไรไปหรือท่านถามผีเข้าแล้วกาบุรุษหนึ่งในสี่คาดเดา ผมกลัวครับเขาบอกถ้าทางหวาดกลัวดังวาจาไม่ต้องกลัวอยู่กับหลวงปู่ไม่ต้องกลัวเอาละยังมีอีกสองศพช่วยกันขุดขึ้นมาเถอะประเดียวจะมืดคำเสียก่อนท่านบอกบุรุษทั้งสี่ผมว่าวันผูกก้อยมาขุดบดีกว่ากัะครับหลวงปู่นี่ก็บ่ายคล้อยแล้วกว่าจะขุดเสร็จก็เดิ พออยู่เลิกตั้งสองสามว่าคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างนึกท้อเขาเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านใช้เขาทำงานเกินกำลังอย่าผัดวันประกันพรุ่งพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรว่าอนากุลาจะกรรมตาเอตัมมังคละมุตตังการงานไม่ข้างค้าง นี้เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะ น, นั้นต้องช่วยกันขุดขึ้นมาให้ได้คืนรอถึงพรุ่งนี้รับรองมีปัญหาแน่ท่านพระครูไม่ยอมรับมติของเขาลุงปูไปได้เป็นคนขุดก็อู้ได้นะคะลองมาขุดพอพ่องจะหูว่ามันอีดขนาดไหนป้ะจะคาดใจเลยล่ะ เขาเริ่มผ่านออกกับท่านพระครูภิกษุวัยสจึงว่าถ้าอาตมาเป็นครือขัดก็จะขุดให้โยมดูสมัยที่ยังไม่ได้บวชอาตมาทำงานหนักมากแล้วก็ไม่เคยเกี่ยงงานลูกผู้ชายต้องสู้งานจะกลัวไปใหญ่กับความยากลำบากผู้ใหญ่บ้านรีบรับรองว่า แฉของหลวงปู่ขจายข้าจคุดเตอะถ้าคิงอิตหาคุดเองก็ได้ท่านพระครูไม่เข้าใจคำศรรพัพที่เขาใช้จึงถามขึ้นว่าคิงคิงฮา Ha ที่โยมผู้ใหญ่พูดนะ่ะแปลว่าอะไรอ๋อเป็นภาษาเหนือครับหลวงปู่แล้วก็เป็นภาษาเจ้าบ้านที่บกค่อยสุภาพนะักเข้าใจเฉพาะกับคนที่คุ้นเคยกันครับ อาตมาอยากรู้ความหมายหากไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ช่วยบอกอาตมาไว้ประดับความรู้ด้วยเถอะคิงแปละว่ามึงหาแปลว่ากูครับหลวงพ่อลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านตอบแทนบิดามันบอกค่อยสุภาพครับหลวงปู่บิดาเด็กหนุ่มพูดออกตัว แต่มันก็เป็นวัฒนธรรมนะเมื่อเราเคยชินกับมันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่สุภาพอย่างอาตมาก็เหมือนกันตอนเป็นเด็กๆ ก, ก็พูดมึงพูดกูเพราะชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนั้นอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยพระในวัดท่านก็พูดอย่างวัดแถวบ้านอาตมาสมภารพูดกับเนน ยังใช้มึงกูแถมเรียกเนนว่าไอเนนเมื่อก่อนชาวบ้านเขาก็พูดกันอย่างนี้เพิ่งจะมาเปลี่ยนก็ตอนสมัยจอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดไม่เพราะไม่ทัดเทียมอารยะประเทศเขาจึงห้ามพูดมึงกูแล้วก็ห้ามคนแก่คนเฒ่ากินหมากด้วยครับ ผมเคยได้ยินป่อเล่าเหมือนกันป่อเล่าว่าจอมพลปอท่านสั่งให้เลิกกินมากแล้วก็หันมาใส่หมวกเล่นเอาหมูคนเท่าคนแก่ต้องกินกันแบบรบๆซ่อนๆพราะเลิกบาได้สมัยก่อนค้นติดมากนะครับหลวงปู่เอาละเอาละ่ะอาตามาถามเรื่องคิงกับฮาเลยลามไปถึงเรื่องมากสรุปว่าฮาคือกู คิงคือมึงใช่ไหมท่านถามหนุ่มน้อยถูกแล้วครอบหลวงปู่คนตัางใต้ที่มาแอวแถวบ้านเฮาเขาพยายามอู้เรียนแบบภาษาทินบางทีเขาก็ใจผิดๆอย่างอูวว้ว่าฮ่าฮาคอยกินตวยหมูเฮาก็เลยอดไข้หัวกันใหญ่เลยแปลว่าอะไรละ่ะหลวงปู่แปลไม่ได้ ท่านถามหนุ่มน้อยคนที่ท่านเห็นแววฉลาดเฉลียวของเขาจนแน่ใจว่าเขาจะได้เรียนถึงระดับปริญญาเอกแปลว่ากูกูคอยมึงตวยตีแต่ต้องอู้ว่าคิงคิงคอยหาตวยครับหนุ่มน้อยอธิบายมัวคุยเล่นกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จปลอก เป็นเสียงของภิกษุรัตัญยูที่นั่งหลับตาอยู่โคนต้นชำชฉาทุกคนหันไปมองรวมทั้งท่านพระครูด้วยหลวงพ่อครับศพอยู่ลึกตั้งสามว่าหลวงพ่อช่วยให้อยู่ตื้นๆนหน่อยนะครับท่านพระครูหาวิธีช่วยพวกเขาท่านรู้ว่าหลวงพ่อดำช่วยได้เพราะเรื่องอย่างนี้ดูเล็กน้อยมากสำหรับภิษุรัตัญยูองค์นี้ เราวนี้ขุดไปเม็ดเดียวก็พบแล้วหลวงพ่อดำบอกจะแต้ก้าหลวงปู่บุรุษคนเดิมพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนไม่เชื่อถือท่านพระครูอดทนทนไม่ไหวจึงว่าตรงๆโยมปากเสียอีกแล้วนะโยมรู้ไหมหลวงปู่องค์นั้นท่านไม่ใช่พระธรรมดานะไปพูดไม่ดีกับท่าน ระวังกำจัดตามทันตาเห็นแทนที่จะสำนึกถึงความผิดของตนบุรุษนั้นกลับแสดงอาการโกรธขึ้นจึงเถียงว่าจะวิเศษมาจากไหนผมกบสนลรอกอิจจะตายแล้วได้ยินก็พูดเสียงเกือบจะเป็นตะโกนคำปุ้นผู้ใหญ่บ้านเรียกชื่อเขาด้วยเสียงอันดังบุรุษนั้นจึงได้สติ เขามองหน้าผู้ใหญ่บ้านอย่างหวาดหวาดคิงจะเอาใหญ่แล้วเนอะฮาชักจะทนบม่ไหวแล้วตุวเจ้าเปิ้ลมาจ่วยหมูเฮาเป็นจะใดถึงได้อู้บัดีกับเปิ้ลฮาบ่ได้อู้บดัดีแต่ฮาอู้แต่ความจริงต่างหากเขาเถียงแม้จะเกรงกลัวคนเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ต้องเถียงเพื่อจะอวดพระสงฆ์องค์นี้ว่าเขาก็แน่เหมือนกัน ท่านพระครูมองหน้าบุรุษนั้นแล้วก็ให้ตกใจเพราะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นศีรษะตายจริงโยมคนนี้หัวขาดท่านอุทานอยู่ในใจแล้วจึงต่อหัวให้เขาสัมปติดชามิสัมปติดชามิท่านว่าคถานในใจแต่แล้วศีรษะของบุรุษนั้นก็ยังไม่มาต่อกับคอท่านรู้ว่า เขาจะต้องตายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพราะกรรมที่คิดไม่ดีกับพระอระหันต์จึงบอกเขาด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาปรานีว่าไม่เป็นไรหรอกโยมผู้ใหญ่เขาเหนื่อยก็ให้เขาพักให้โยมสามคนช่วยกันขุดไปก่อนอาตมาเห็นว่าโยมเขาป่วยหนักให้เขาพักเถอะโยมไปนั่งพักเถอะ อาตมา อ, อนุญาตบุรุษนั้นจึงลุกขึ้นเดินไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งอย่างงอนงอนผู้ใหญ่บ้านจึงบอกลูกชายคนโตให้ทำหน้าที่แทนเขาแต่เด็กหนุ่มเกี่ยงน้องชายลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านจึงช่วยบุรุษอีกสามคนขุดเพราะไม่อยากให้มีปัญหาสองชั่วโมงผ่านไปคนทั้งสซึ่งมีผู้ใหญ่สามเด็กหนึ่ง ก็สามารถนำศพที่เหลือขึ้นมาวางเรียงกับศพแรกพวกเขาเกิดความศรัทธาในหลวงปู่องค์ที่นั่งหลับตาอยู่ใต้ต้น ช, ชาําฉาเพราะพอขุดไปเมตรเดียวก็พบดังที่ท่านพูดสองศพที่ขุดได้ทีหลังก็น่าเกลียดน่ากลัวไม่แพ้ศพแรกเมื่อนำมาวางเรียงดูเผล น, เ, นเหมือนปีศาจกำลังนอนหลับพักผ่อน และพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาอารวาดให้พวกชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นผู้ชาย